สาติยักคาหาปกาธิสมมติว่าด้วยการแต่งตั้งภิกษุผู้แจกผ้าเป็นต้นสมัยนั้นสงยังไม่มีภิกษุผู้แจกผ้าไม่มีภิกษุผู้แจกบาท